พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22กรกฎาคม2555หมีชื่อเรื่องว่ารถกับคนขับรถหลวงพ่อได้เห็นคณะศรัทธาญาติโยม มากหน้าหลายตาก็ปลื้มใจมองไปทางไกลว่าพุทธศาสนาของเราคงจะยืดยาวฝันพ่งนี้ก็ที่วัดของหลวงพ่อจะมีคณะครูบาอาจารย์สอพอปอเขต4ของอุดรจะเข้ามารับการอบรมเกือบ200มะประมาณ195คนที่เขาเสนอเข้ามา มีคณะมีพออ ร, รองพออโ ร, รองเรียนต่างๆจะเข้ามาวันที่วันพุ่งนี้ลุงพ่อก็แต่ตามมจริงวัดของเราก็ไม่เคยรับเพราะสถานที่ของเราอย่างวัดป่าอย่างนี้นะที่จํากัดแต่คิดว่าถ้าฝนตกคงจะยุ่งพอสมควรถ้าฝนไม่ตกเออคงจะดีหน่อยนอนกับพื้นดินก็ได้นะอันนี้ก็ได้จัดไป ทางอีกมุมหนึ่งของวัดวัดของเรากว้างก็จริงอยู่พันสามร้อยกว่าไร่ที่วัดนะกําแพงร้อมรอบกําแพงยาวห7พันเจ็ดร้อยกว่าเมตรกําแพนี่คือหลวงตามหาบัวท่านออกทุนให้ท่านสร้างให้สมัยนั้นก็ปูนราคาเพียงสามสิบห้าบาท เหล็กสี่หุ้นประมาณสักสี่สิบบาทนะขนาดนั้นก็หมดไปเงินตั้งหมดไปยี่สิบกว่าล้านแต่ทุกวันนี้ปูนสอบหนึ่งกรอยสามิกว่าบาทเกือบสามเท่าสี่เท่าตัวถ้าสร้างเดี๋ยวนี้ก็คงจะหลายเงินเหมือนกันอันนี้ก็คือเห็นคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานที่มาในวันนี้ก็เออปลื้มปีติ แล้วก็จะตุปปัจจัยที่ถวายบกกุตรเกนี้ถวายองค์ภาพป่าหลวงพ่อก็มองดูแล้วไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะสี่9ม้าร้บาทสี่9ม้าร้บาทแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังเป็นหนี้อยู่นะแต่ตอนี้ทางนั้นไม่ได้ขอนะคือเป็นหนี้เดี๋ยวจะพูดหนี้ให้ฟังนะคือหลวงพ่อทางโรงพยาบาลสูงอุดอเขาจะสร้างตึก หนีไฟเคียงคู่กับตึกหลงตาตึกสิบชั้นเป็นที่จอดรถด้วยที่หนีไฟด้วยเขามีเงินอยู่เจ็ดสิบห้าล้านแต่นี้ก็หลวงพ่อเลยเป็นประธานในการก่อสร้างแต่กระทรวงสาธารณาสุกขกขบอกเก้าสิบล้านตึกหลังนี้แต่หลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อเลยหาผู้รับเหมามาสู้กันก็ได้เจ็ดสิบแดล้าน พอเจ็สิบแปดล้านท่านี้หลวงพ่อเอาเซ็นสัญญาหลวงพ่อคิดว่าจะหาสามล้านคิดว่าน่าจะได้พอต่อมาอีกทนี้พอสร้างเคลืนมาแล้วทนี้มีสะพานเชื่อมตึกลงตาอยูน่นี่มีสะพานเชื่อมเข้าไปที่แรกหลวงพ่อคิดว่าเอาจะเอาเพียงสี่สะพานชั้นเก้าชั้นเจ็ดชั้นห้าชั้นสามน่าจะพอแต่ที่ พวกพยาบาลพวกหมอโอ้โหลุงพอ่อขอสักห่าด้วยเท่าน่าทําไมพรห้องที่8ดเนี่ยเป็นห้องไอซียูของฉ น, น่าจะมีสะพานเชื่อมห้องไอซียมหาตึกหนีไฟด้วยพอจะเอาขึ้นจะเอาลงคนห้องไอซหลวงพ่อเออห้าชั้นอพอต่อมาอีกโอ้โหลุงพ่อคนป่วยทุกชั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีเอน่าจะน่าจะมีสะพานเชื่อมทุกชั้น ถ้าว่ามีปัญหาไฟเกิดไฟไหม้ขึ้นมา เ, เรียบทุกตัวมันก็ต้องถูกตัดทั้งหมดและควันมันจะขึ้นมาข้างล่างแล้วจะไปที่ไหนถ้าไม่ออกทางหนีไฟขอทุกชั้นด้วยเทินตั้งแต่ชั้นสามขึ้นมาโอ้หนักเทเองรวมกันแล้วเป็นเงินหกล้านเานีงเพรานนั้หลวงพ่อหกกับสามเป็นเท่าไหร่วะเนี่เป็นเก้าใช่ไหมล่ะหลวงพ่อเอ อ, เ อ, อรับไว้พิจารณา ถ้าหากว่ามันใกล้ๆขึ้นมาแล้วหลวงพ่อคงจะประกาศทอดผ้าป่าพี่น้องชาวอุดร อ, อีกสักรอบหนึ่งเพราะอันนี้ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะมันเป็นของทุกคนแต่จะให้หลวงพ่อแบบคนเดียวคงไม่ไหวแต่หลวงพ่อจะต้องหาแนวร่วมจากพี่น้องศรัทธาญาติโยมโลกูกหลานอันนี้ก็คือนี่ก้อนหนึ่งนี่ก้อนที่สองก็คือโรงพยาบาลศูนย์อุดรเหมือนกันบอกว่าแถบอีสานเหนือนี่ ทางอีสานของเราเนี่ยเป็นมะเร็งตับมากเป็นมะเร็งก้อนในตับตับแข็งแต่นี่เครื่องมือที่จะผ่าตัดตับนั้นพอผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเลือดจะออกมากถ้ามีเครื่องมือตัวใหม่มาใช้เนี่ยแต่เครื่องมือตัวใหม่นี้ยังไม่มีแต่เครื่องมือตัวใหม่นี้เจดีเข้าไปแล้วเลือดจะไม่ออกในตับก็จะช่วยชีวิตของพี่น้องประชาชนได้เพราะนั่นอยากจะได้เครื่องมือตัวนี้ หลวงพ่อเท่าไหรล้านห้าและมีเงินอยู่เท่าไหร่ที่กองทุนเนี่ยครับมีเงินอยู่ห้าแสนเอา้าหลวงพ่อให้ล้านหลวงพ่อกับเป็นเนี่อีกรอบสองต่อมาโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อมาที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าโรงพยาบาลศูนย์นะไม่ใช่ศรีทะเกนนะศูนย์บอกว่าหลวงพ่อมีเครื่องผ่าตัดหวัวใจทําได้แล้วแต่ขาดห้องห้องผ่าตัดไม่มีห้องกับอย่างที่ มันมีอยู่แต่มันห้องไม่ได้มาตรฐานที่ว่าผ่าตาัดตาตาบอดที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกาวเมื่อสองปีเนี่ยก็คือเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเพราะนั้นเราจะไปผ่าหัวใจใส่ห้องอย่างนั้น เ, เชื้อโรคมันก็จ ะ, เ, ะเข้าไปในคนที่ผ่าตัดใหญ่เพราะนั้นขอห้องพิเศษเป็นพิเศษเพราะว่าทางอิสานของเราเนี่ย มีแต่ศูนย์ศิริกิตแห่งเดียวเป็นศูนย์ที่ผ่าตัดหัวใจเดี๋ยวนี้ศูนย์ศิริกิตเนี่ยต่อยาวเหยียดไปถึงปีหน้านคิวคนที่เป็นโรคหัวใจเพราะนั้นโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นเนี่ยอยากจะทำหน้าที่นี้ด้วยแต่ขาดห้องผ่าตัดเขาก็มาสายสไลด์เนี่ยตรงกล้องเนี่ยหลวงพ่อก็นั่งอยู่ว่าห้องนี้มีประโยชน์อย่างไร่มีคุณ ค่าอย่างไรอลงพ่อก็ดูสรุปแล้วก็ถามาเท่าไหร่เขาว่าสองล้านแปดสองล้านแปดเนี่ถ้าจะลดลงได้ไหมแต่ว่าได้แต่ลดก็ต้องลดประตูลงลดฝาผนังลงด้วยทีนี้พอถามถามแล้วฝาประตูก็ดีผนังก็ดีมันก็จำเป็นทีนี้ มันก็ลดคุณค่าของห้องลงอีกหนะลวงพ่อจาลดอย่างนี้ก็ไม่เอาเอาเท่าไรเก็บเงินปลายเดือนพฤตจิกาต้นเดือนทันวาเก็บเงินครั้งเดียวสองล้านแปดหลวงพ่อเออเาตกลงเอาเลยเพราะกรถินยังออกพรรษาเงินกระถินงคงพอกว่ามัง้งเอาเอาตกลงเลยเซ็นสัญญาเลยเ้าก็เลยเซ็นสัญญาเลยละนี่ไะ พฤติการธนวาเขาจะรับเงินสองล้านแปดเนี่ยตึกห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อก็ไม่รวยเงินตแต่ใจใหญ่หลงพ่อเนี่ยใจใหญ่ที่วัดของหลวงพ่อเนี่ยพันกว่าไร่ถ้าหากว่าหาเงินไม่ได้เอาวัดเข้าธนาคารบนรู้วคิดดูหลวงพ่อ พวกญาติโยมทลายเอาที่นาเข้าธนาคารยังเอาเข้าได้ใช่ไหมละ่ะหลวงพ่อจะเอาวัดเข้าธนาคารนึกซีเป็นยังไงให้มันดังแล้วบัดเกิดถึงนึกออเอาวัดเข้าธนาคารว่าวัดหลวงพ่อเกือบจะได้โฉนดแล้วนะเดี๋ยวนี้ว่ะแต่ยังไม่ได้โฉนดแต่เกือบจะได้โฉนดเราจะทําให้อยู่เออเอาวัดเข้าธนาคารนึกซีพอวัดเป็นหนี้ธนาคารพอวัดของเราเข้าธนาคารเนี่ยศรัทธาญาติโยมมาคงจะช่วยๆกันบ้างที่นี่ว่า เงินเพียงสองล้าน8ปไม่มีปัญหานี่แหละอันนี้คือวัดวาศาสนาอย่างวัดของหลวงพ่อที่ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรอันนี้คือบอกกล่าวให้แกคณะศรรมกาญาติโยมลูกหลานได้ทราบว่าวัดวาศาสนามิได้นิ่งดูได้มองชุมชนและสังคมทั้งด้านวัตถุก็ไม่ได้มองข้ามพร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชน ถือให้สาธารณประโยชน์ให้ชุมชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยใ น, ในการเป็นอยู่ตลอดถึงการศึกษาการศึกษาหลวงพ่อก็ได้ช่วยโรงเรียนและก็ทางโรงพยาบาลหลวงพ่อก็ได้ช่วยทางเครื่องมือแพทย์อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พวกเราคณะสัตยา ญ, ญาติโยมได้ทราบท่าหลวงพ่อพูดแก่คณะสัตยา ญ, ญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อบ่า ยกสองนิ้วยกสองนิ้วเพราะอะไรลบพ่อบอกว่าทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนหลวงพ่อจะสงเคราะห์ไปพร้อมๆกันเพราะว่าคนเกิดมาในชาติไทยถ้าไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีและไม่มีโรงเรียนที่ดีไม่ช่วยการคิดในการพัฒนาเด็กของเราคนของเราก็เป็นคนโง่เพราะเหตุไรเพราะไม่ช่วยกันพัฒนาในเมื่อคนโง่แล้ว จะพัฒนาประเทศชาติจะให้ก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าไปมันก็ยากเพราะว่าคนเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้เรียนหนังสือที่ดีไม่มีการศึกษาที่ดีอันนี้การศึกษาก็จําเป็นสําคัญต่อชาติบ้านเมืองในเมื่อเราได้รับการศึกษาดีแล้วได้ทําการทํางานดีแล้วแต่โรงพยาบาลของเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมื อ, อ, อที่ทันสมัยเทียบเท่ากับ ประเทศที่เขาเจริญแล้วไม่ช่วยกันคิดแต่ในเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเข้าไปโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาลก็ไม่ทันสมัยเหมือนกับต่างประเทศเขาที่เขาเจริญแล้วเราก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งสองอย่างการศึกษาก็ดีการแพทย์ก็ดีมันต้องไปคู่กันอันนี้ก็คือหลวงพ่อ ให้แนวความคิดพร้อมกันในเมื่อการศึกษาทางโลกก็เป็นไปได้การรักษาสุขภาพก็เป็นไปได้แต่พร้อมกันก็พวกเราไม่น่าจะลืมศีลธรรมจริยธรรมคือทางด้านจิตใจอีกส่วนหนึ่งถ้าพวกเรามีแต่การสะสะวงหาทรัพย์การหาเงินคำทรัพย์สมบัติ ไม่ให้ขาดตกบกพร่องในการทํามาหาเลี้ยงชีพมีปัจจัย4ี่บริบูรณ์ที่พักพ่าอาศัยก็สมบูรณ์ผ้าหนุ่มโฮมก็ไม่ขาดตกบกพร่องยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็มีอาหารการบริโภคก็สมบูรณ์บริบูรณ์ปัจจัย4ี่สมบูรณ์สรุปแล้วอันนั้นเพียงเลี้ยงร่างกายร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหน ก็ถึงจุดจบเอออย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคนที่มีอายุพอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไป เ, เขาจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนต่อผลที่สุดก็ถึงจุดจบก็คือความตายอันนี้คือเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนมันก็จบเพียงแค่นั้นแต่มันไม่จบเพียงแค่นั้นก็คือตรงที่พระพุทธเจ้าของเราเนะ่สิท ธ, ธัตถะท่านทรงไปออก ส่งผนวดพราะพพุทธองค์ทําไมจึงหนีไปบวชจึงส่งผนวดพระพอง์ไม่รู้จักความสุขเหรอในเมื่อตัวเองคลองราชสมบัติกลุลกงกบินระพับดบริบูรณ์หมดทุกอย่าง เ, าเพราะว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ทําไมจึงหนีไปบวชอยู่ในป่าบําเพ็ญอยู่ในป่าเป็นคนขอทานาไม่มีบริษัทบริวารอยู่ตามลําพัง ต่อมาจึงมีปัญจวัเคี์ทั้งห้าไปช่วยอุปถรัรมภะถาคแต่ก่อนหน้านี้พระองค์ก็อยู่ตามลำพังไปบินธบาตมาฉันอาหารตามมีตามเกิดทำไมพระพุทธองค์จึงหนีจากเวียงวังไปอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วพระพุทธองค์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอายุ29ปีกําปีกำลังหนุ่มแน่นแข็งแรงวัยกาลังก้าวหน้า แต่ว่าทํำไมพระองค์เห็นอะไรท่านเห็นความแก่ความเจ็บและความตายในช่วงนั้นเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแต่สําหรับพวกเราเห็นเป็นธรรมดาถ้าเห็นคนอื่นได้ยินคนอื่นอยู่นอกบ้านนอกเมืองอยู่ถิ่นไกลพวกเราได้ยินก็ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ว่าเมื่อได้ยินเห็นใกล้ๆเข้ามาเห็นพี่เห็นน้องลูกหลานของเรา เจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากเออเสียใจจะร่วงไปแต่พอมาเห็นพ่อแม่สามีภรรยาลูกของเราที่รักอันนี้พอเห็นก็มาเออทกใหญ่แต่พอมาเห็นตัวเองแต่เนี่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มานั่นแหละท่านเห็นทุกข์อย่างชัดๆก็เห็นตัวเองอันนี้ก็คือการมองการมองพวกเราเนี่ ย, อยมองไม่ไกลเหมือนพระพุทธเจ้า เพราะ้ดเจ้าเพียงแต่มองเห็นคนอื่นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็ น, น้อมเข้ามาหาตัวเองว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องเป็นอย่างคนคนนี้เออจะต้องแก่เห็นคนแก่เราจะต้องแก่พอเห็นคนเจ็บเราก็จะต้องเจ็บพอเห็นคนตายอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายในเมื่อเราตายแล้วเราพันก็เปรียบเทียบ ว, ว่าปู่ย่าตา ย, ยายของท่านล่ะ พระญาติพระวงศ์ของพระองค์ล่ะเจ็ดชั่วโคตรไปไหนหมดท่านเหล่านั้นก็มรณะภาพลงเป็นทอดๆลงมาต่อไปก็มาถึงพระองค์ต่อไปก็ถึงลูกไล่ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมีอันไหนออมีสิ่งไหนที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหมมีหนทางไหมที่จะไม่ให้แก่เจ็บตายมีไหมนี่แหละพระองค์คิดจุดนี้ ถ้าหาว่าเราอยู่ในเวียงวังเราคงจะคิดไม่ออกเพราะว่าการบริหารจัดการในการในเวียงในวังมีเยอะเดี๋ยวก็ทหารเดี๋ยวกับตำรวจเดียวกับพิพากษาเดี๋ยวกับค ด, ดีความเดี๋ยวกับผิดน้องประชาชนยากจนจะต้องคิดในการพัฒนาประเทศถ้าเราหนีไปอยู่ในป่าตามลําพังเหมือนกับสมณะที่เราเห็นน่ย เพราะพระพุทธเจ้าเห็นสมณะด้วยนะคือนักบวชเห็นนั่งอยู่โคลนต้นไม้ตามลําพังนั่งขัดสมาธิแล้วนั่งสัมรวมไม่ท่านนั่งอยู่ตามลําพังถ้าเราทําอย่างสมณะท่านนี้เราคงจะมีทางที่จะเป็นแนวความคิดหาช่องทางได้นี่แหละพระองค์จึงได้หนีออกไปบวชกลางคืนจากนั้นก็ไปอยู่ ที่แม่น้ำอโนมาณทีบำเพ็ญอยู่6ปีลองผิดลองถูกลองถูกรองผิดอยู่เป็นเวลาหปีจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ตัดสรู้เป็นพระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละคือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างสำหรับพวกเราท่นทั้งหลายวันนั้นการพูดทางนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้เอาความตายมาพูดให้กันฟังเพื่อเป็นอัปมงคลไม่ใช่เอาความตายมาขู่กัน แต่เพียงเพียงแต่ชี้ให้ดูว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าก่อนที่จะตายนั้นต่างกันในหลักของพุทธศาสนาเราตายแล้วไม่สูญเนี่จุดนี้แหละที่ไหนที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าอยู่ที่โคลนต้นโพนวันตัสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือได้วันตัสรุธรรมท่านในตัสรุธรรมสมอย่างปุเพในวาสานุสติญาณ จูตูปปาตยานอาสาวะคยยะยานคือได้ยานสามอย่างในวันเดือนหเพนปุกเพนวาสานุสติยานละลึกชาติทูลหลังได้เมื่อชาติที่แล้วเรามาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่เราจะไปไหนนี่อันนี้ก็คือพระพุทธองค์ล้ำลึกชาติท้ลหลังทุกคนตัวเราเองเรามาจากไหนจากชาตินี้พระองค์รู้ว่ามาจากไหนมาเกิดถึงชาตินี้ เออจากนั้นก็มองคนอื่นจูตูประปาติญญาคือมองคนอื่นที่มองออกไปข้างหน้าคนคนนี้เขามาจากไหนมาเกิดออกจากนี้แล้วจะไปไหนทําไมเขามาเกิดเขาทําไมจึงยากจนเขาทําไมจึงรวยทําไมจึงโง่ทําไมจึงฉลาดทําไมเขาจึงเป็นคนพิคงพิการพราะพระพงองค์ก็มองดูอีกมองดูแต่ละบุคคลแต่ละสัพพสัตต์ทั้งหลายคนคนนี้แต่ละคนละคนละคน ทำไมมันต่างกันทำไมไม่เหมือนกันเกิดมาพ่อแม่เดียวกันทำไมไม่เหมือนกันอันนี้พระองค์ก็มองดูพอมองดูแล้วท่านก็รู้ได้ว่ากรรมคือการกระทาในอดีตชาติถ้าใครทำกรรมดีเอาไว้กรรมดีนั้นจะติดตามให้ผลมาพบนี้ชาตินี้เขาเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีสติปัญญากิจการงานทุกอย่างราบรื่นไปหมดเพราะเหตุเพราะอานิสงส์บุญกุศล ที่เขาทำกรรมดีไว้ในอดีตแต่คนนี้ทำไมจึงเกิดมาอยู่พ่อแม่เดียวกันทำไมตกทุกข์แต่ยากทำไมยากจนทำไมงโง่ทำไมพิกงพิการพระองค์ก็มองดูไปอีกว่าในอดีตชาติของเขาเขาทำกรรมชั่วทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้เพราะนั้นกรรมชั่วต่นั้นติดตามมาให้ผลติดตามมาเรื่อยๆหลายภพหลายชาติอย่างนี้แหละพระองค์จึงรู้ไว่าจุตูปปาตายาน การจุติของสัรพสัตต์ทั้งหลายเพราะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอากตังลุกตังเสยโยปัชชาตปติลุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นใครทํากรรมไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นจะตามเมื่อภายหลังไม่ต้องพูดถึงในอดีตอดีตชาติตกรรมชาติปัจจุบันกรรมนี้ก็เถอดนะถึงพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ แต่เราไปทำกรรมไม่ดีเอาไว้อย่างไปฆ่าคนอย่างเนี้ยแต่เมื่อเราฆ่าไปแล้วเนี่ยพอตำรวจเขาสืบทราบได้นั่นะเราก็ต้องวิ่งหนีคดีความเลย เ, เขาจะจับเข้าคุกเข้าตารางบางทีเขาจะวิสัญยีเขาจะฆ่าเราทิ้งอีกต่างหากเนี่ยเราก็เป็นทุกข์อีกแล้วแตเนี่ยเพราะหอะไรเพราะเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้เพราะนั้นท่านจึงว่า กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทำกรรมสิ่งไหนลงไปขอให้เราทาศนิกรชนพุทธบริษัททุกทกท่านให้คิดให้กันกรองไตรตรองให้ดีสะก่อนว่าสิ่งที่มันไม่ดีแล้วอย่าทำอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าคิดอย่าทำอย่าพูด ในสิ่งที่มันไม่ดีให้คิดทำโทดแต่สิ่งที่ดีพวกเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกนี้ก็จวนจะเข้าพรรษาที่พวกเราคณะสัายาติโยมอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิที่คณะใหญ่มาเกือบสองท่านที่มาทอดผ้าป่าผ้าทอดทอดเทียนในพรรษาในวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจที่เห็นคณะสัตยาิโยม รวมกลุ่มได้ขนาดนี้ไม่ใช่รวมกลุ่มได้ง่ายๆรถไม่รู้ว่ากี่คันรถตู้ไม่ใช่รถบัสอีกต่างหากแล้วก็มารวมกันไปตามวัดต่างๆเพื่อกราบคารวะครูบาอาจารย์ถวายเทียนพรรษาแล้วก็หลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์ที่อยู่วงในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเองก็อยากจะขอร้อง ใ, ใกล้ๆกับคณะสัตยาธิโยม กทุกท่านในพรรษานี้ที่จะถึงเนี่ยพรรษา2555ันหารอยวันเข้าพรรษากับวันวันที่สามวันอสารหบูชาคือวันพระใหญ่คือวันที่สองสิงหาคม2อ5 5อแต่วันนี้เป็นวันที่22กรกฎาคมจากนี้ไปก็ไม่กี่วันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านได้คิดวางแผนการสร้างคุณงามความดีในพรรษานี้พศนี้ ว่าเราจะเตาอะไรบ้างในพรรษาที่จะถึงนี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทคำว่าพุทธบริษัทคำนี้คําว่าบริษัทเนี่ยแอคล้ายๆว่าบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้พุทธบริษัทจำกัด เ, เราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นพุทธศาสนิกชนของพระพุทธทเจ้า เราเลื่อมใสนับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมาเข้าบริษัทนี้มาทํางานที่บริษัทนี้เลื่อมใสศรัทธาจึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะนะเป็นที่พึ่งถือว่าเป็นบริษัทนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความสนใจพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านสอนให้พวกเราสร้างคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ากรคำชั่วจะทาเฉยเลยดีกว่านะี อันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจา้าแต่ว่ากรรมดีเนี่ยเราจะทํำยังไงกรรมดีในพรรษานี้พวกเราก็อย่างที่ลุงพ่อได้พูดว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนี่แหละจุดนี้เรียกว่าตายแล้วเกิดอีกเนี่ยทําไมจึงว่าเกิดอีกพราะพพุทธเจา้าท่านนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบท่านลําลึกชาติผลหลังได้นีอันนี้ก็คือทำคําสอนของพระ พ, พุทธเจา้าแต่มาถึงพวกเราที่นในพรรษานี้พวกเราจะทํำยังไง เมื่อรู้แล้วว่าตายแล้วไม่สูญพวกเราอยากจะพิสูจน์ก็ได้นั่งภาวนาอย่างพระประธานนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกเมื่อเรามีสติจิตใจของเราไม่ปรุงไม่คิดไปอดีตไม่คิดไปในอนาคต ใจของเราอยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นบังคับให้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นกำหนดให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นใจของเราจะรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจใจกับกายเนี่ยมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราจะแยกให้ดูว่ารถกับคนขับรถนะหลวงพ่อเปรียบเทียบยางไงร่างกายเหมือนกับรถ แต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันคนขับรถกับรถนี่แหละในเมื่อร่างกายแต่ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไหวยแต่ใจออกจากร่างไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิอื่นๆได้อย่างที่ลุงพ่อได้พูดว่าเมื่อตายแล้วไม่สูนร่างกายแต่ตายแต่ใจออกจากร่างแล้วไปเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จุตูปาปาตา ย, ยาน การจุดติการเกิดการตายของสรรพสัตว์เมื่อภาวนาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปู่มั่นของเราลงตาก็ดีลงปู่ลากก็ดีครูบาอาจารย์องค์อื่นๆก็ดีลงปู่ฟันลงปู่ขาวลงปู่ต่างๆที่เป็นสายลงปู่มั่นในยุคปัจจุบันท่านอยู่ในป่าดงพงไผ่ท่านนั่งภาวนาท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่สู่นะเป็นจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆ เมื่อจิตเข้าใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนั้นอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันผู้ที่ได้รับกรรมดีกรรมชั่วนะั้นคือใจคือนามัทธธรรมที่มองไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยตัวเนื้อตัวนั้นเป็นพลังใจนี่เป็นพลังบังคับให้กายพูดบังคับให้กายวิ่งบังคับให้กายทาอะไรก็ได้ตามที่วิสัยของกายจ ะ, จะทําได้เพราะนั้นใจนั่มีพลัง เพราะนั้นใจดวงนี้น่พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญอย่างมากจว่ามนโนปุพังขมาธรรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นไญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพวกเราควรจะอบรมใจคือใจเป็นหัวหน้าอบรมใจให้ดีถ้าหัวหน้าดีแล้วนะหัวหน้าไม่เกเรหัวหน้ามีสิทธิ์มีธรรมหัวหน้าไปทางที่ถูกต้องหัวหน้าเป็นสัมมาทิฏฐิ เราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเราเมื่อคิดดีแล้วก็จะไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นในพรรษานี้เราจะทำอย่างไรจึงจะคิดดีทำดีพูดดีหลวงพ่อว่าในพรรษานี้พวกเราควรจะไหว้พระสวดมนต์ทุกเช้าเย็นไม่ให้ขาดได้ไหมระหังสวาสดิต์โตสุปฏิปันโนสั้นในพิจารณากระสุดแท้แต่พวกเราจะไหว้แต่ไม่ให้ขาด เอาให้แน่วแน่ในพรรษานี้อันดับที่สองเราก็จะใส่บาททุกวันไม่ให้ขาดได้ไหมในพรรษานี้อันที่สเรารักษาศีลห้าในพรรษานี้ตลอดไตรมาสสมเดือนเป็นนิ จ, จิศีลได้ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรมไม่กล่าวมุสาไม่ดื่มสุราในพรรษานี้ได้ไหมสำหรับผู้สูงอายุหลวงพ่อว่าน่าจะทาได้ และก็มากกว่านั้นเราจะไปวัดทุกวันพระรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดได้ไหมนอกจากนั้นเราจะงดเว้นการดื่มสุราในพรรษาตลอดไตรามาสสามเดือนได้ไหมเพราะการดื่มสุราเมื่อเมาสุราเข้าไปแล้วทำความชั่วในทุกอย่างคนเมาสุราคือคนขาดติเมื่อขาดติแล้วปานาฆ่าใครก็ได้ไม่เลือกใคร ที่พวกเราเห็นในสื่อต่างๆเขาฆ่าพ่อแม่เพราะเขาดื่มสุราเมาสุราฆ่าใครก็ได้ขโมยทรัพย์ใครก็ได้ลาลาบลาวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้พก็ดื่มสุราเนะี่ยเพราะนั้นสุราเป็นพาหะและเป็นเครื่องนําทําให้พวกเราทําความชั่วได้เสียหายได้ลหลายอย่างเพราะนั้นในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไม่แตะไม่ดื่มสุราเด็ดขาดเนะี่ยอย่างนี้ได้ไหมข้าพเจ้างดดื่ม งดสูบบุหรี่ในพรรษานี้ได้ไหมเพราะบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมันยากเหลือเกินปดงดบุหรี่เอาเถอะในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ให้ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านมีมากมายที่พวกเราจะสร้างคุณงามความดีใส่ตัวเองเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาธิษฐานลูกหลานทุกๆ ท, ท่านที่ได้มาทําบุญได้เข้ามาสู่วั ว่าศาสนามาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีแต่แนะนำอยากจะให้คณะทายาติโยมโลูกหลานทุกคนเป็นคนดีคิดดูซิว่าที่หลวงพ่อพูดกล่าวไปนี้มีเหตุมีผลถูกต้องไหมก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังศึกษ า, เ, าเมื่อศึกษาฟังดูแล้วก็นั่นแหละพวกเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุดตรมยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อฟังและจินตนาไข้ควรทบทวนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพวกเราได้ยินแล้วทบทวนในี่จริงไหมที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังหลวงพ่อไม่ได้เอาแนวความคิดหลวงพ่อนะเอาเป็นแนวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาบอกมากล่าวมาชีน้นาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานึกว่าจินตามะยะปัญญา ภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะว่าจิตใจของเรานิ่งสงบแล้วก็พิจารณาด้วยเหตุผลอันนี้คือภาวนามายปัญญาเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านยังตรัสอีกว่า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 พวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้กล่าวเป็นแนวทางให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาและก็พร้อมกันวิธีการปฏิบัติกับตนเองในพรรษานี้หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาเนี่ยนั่งภาวนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะทําจิตใจให้สงบ พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้นั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าหัวใจของพุทธศาสนาคืออะไรคือวันที่พระพุทธเจ้าเป็นนั่งภาวนาวันเดือนหกเพนที่โคลนต้นโพที่พุทธกยาเอานั่งขาขวาทับขาซ้ายตอนย่าค่านั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้นก็คือนั่งภาวนานี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายพุทธบริษัทอย่างที่บอกเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า พวกเราเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนค่ําด้วยวันเวลาใดก็ได้ที่มันสงบสงัดปิดวิทยุโทรศัพท์ซะปิดโทรศัพท์ไว้ซะโทรศัพท์ก็ปิดเอาไว้อย่าไปเปิดเพราะว่ามันจะรบกวนในขณะที่นั่งภาวนา เ, เราจะนั่ง30นาทีนนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนจากนั้นก็เวลาไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, เราก็หันหน้าไปทางพระประธานเราก็นั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบก็ได้ ตามที่เราจะนั่งได้หรือว่เราขึ้นไปนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ให้ต่ำกว่าพระที่เราพระประธานเราขึ้นไปนั่งเก้าอี้เห็จแล้วก็ปนมมือนะเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งขัดสมาธิกว่าเถิดจะนั่งพับเพียบกว่าเถิดหรือจะนั่งเก้าอี้ก็เถิดเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานั่งปนมมือขึ้นในระหว่างไหว้ครูซะก่อนพุทโธ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 อันนี้คืออะไรคือเมตตาถ้าคนมีเมตตาไปอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดปราถนาอยากจะให้ตนเองเป็นสุขเท่ากับปรารถนาให้คนอื่นพวกวิน ญ, ญาณคือเราไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลเพราะต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครของเราเ อ, อต่างคนก็ต่างมาใช้กรรมต่างคนก็ต่างรับกรรมดีกรรมชั่วของใครของเราเพราะฉะนั้นเราไม่อิจฉาเขา เ, ออเราจึงปราถนาให้ทุกคนมีความสุขทวนหน้ากันนะ เมื <Me> <ullah> <k io> ่อเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็อมมือลงพออมมือลงแล้วก็กำหนดลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทกําหนดที่ลมหายใจเข้าอย่างที่เราดูที่ลมหายใจลมหายใจเข้าที่ไหนมันกระทบที่ไหนถ้าเราไม่รู้ว่าลมกระทบที่ไหนให้เราพยายามหายใจแรงๆหายใจสืบเข้าแรงๆหายใจเข้าสืบแรงๆ แล้วกระแทกลมออกแรงๆหายใจออกพุดโถพุดโถหายใจเข้าพุดหายใจออกโถเมื่อเรารู้แล้วว่าลมกระทบที่ไหนเราก็พยายามผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนดูให้ปกติอย่าจะไปเกรงอย่าไปกลึงอย่าไปแต่งลมนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดหายใจเข้าพุดหายใจออกโถพุดโถพุดโถไม่ต้องตามลมเข้าไปนะไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องแล้วไม่ต้องตามลมออกมา เหมือนกับยืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นน่ะสมมติว่าเรายืนอยู่ข้างประตูคนเข้ามาในศาลา Familien. เราก็รู้คนออกไปศาลาเราก็รู้แต่ไม่ต้องตามคนเข้ามาในศาลาและไม่ต้องตามคนออกไปนอกศาลายืนอยู่ข้างประตูนี้ก็เหมือนกันเอาสติจับอยู่ที่ปลายจมกูกลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกเวลาลมผ่านเข้าม า, <ซ> า, เ, า, มาเราก็บริกรรมว่าพดเวลาลมออกไปเราก็บริกรรมว่าโทพด นี่แหละถ้าเรารู้จากวิธีแล้วง่ายนิดเดียวในการภาวนาเมื่อเรานั่งภาวนาพอสมควรแล้ว 20-30 นาทีชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกอีกพุทธโธทรโมสังโฆไหว้ครูอีกจากนั้นก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่เกิดจากการนั่งสมาธิของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตกทุกข์ได้ายาก ถ้ท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรนนะสุขภาละให้มีแต่ความสุขทั่วนหน้ากันเทินจากนั้นค่อยออกจากสมาธิอันนี้ก็คืออุทิศ ส, ส, ส่วนกุศลก่อนออกจากสมาธินี่แหละวิธีการนั่งสมาธิไม่ยากนะถ้ารู้จากพิธีนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะจตหาญาิโยมทุกๆคนนะเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากสําหรับนักปฏิบัติ ถ้าพวกเรามีสมาธิดีแล้วนะเมื่อจิตใจของเรามีหลักยึดจิตใจของเรามีสมาธิต่อไปภายภาคหน้าใจของเราจะไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้านะเนืสัยซึนะยมเศร้าจะไม่มีเราจะมองดูว่าเออถึงข่าวแล้วเหรอเราแก่เราเท่าเราชะลาแล้วอีกสักวันหนึ่งเราก็ถึงจุดจบของเราแล้วเราก็จะไปตาม ทํานองครองทำด้วยว่าคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราก็เนี่ยหลีกลีก่หนีไม่พ้นแล้วค่าวนี่เราจะต้องไปแหละเราจะไม่เสียอกเสียใจเราจะไม่ว้าเวอ้างว่างเงียบเหงาซึมเศร้าพราะอะไรเพราะเราได้ฝึกไว้เราได้ฝึกจิตตภาวนาเอาไว้แล้วนะแต่บางคนโอ้หลวงพ่อนั่งภาวนาทีไรมันหลุดไปทุกทีหลวงพ่อก็เลยแนะนําว่าขณะที่นั่งให้พวกเราทดลองนับดูนะลูกหลานนะเวลานั่ง ภาวนาทั้งที่จะนับหายใจเข้าพดหายใจออกโทหายใจเข้าพดหายใจออกโถเราเปลี่ยนกรรมาฐานใหม่ดูซิหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4ี่ห้าหกดแปดถึงร0อยพอถึงร้อยกลับมาอีกถ้ามันไม่เผล่นะถ้ามันเผลอจะกลับมาอีกถึง20แล้วปันเบือจะกลับมาหนึ่งไม่เออถ้าไปกลับถ้ามันยังไม่ถึงสิ มันเผลอกลับมาใหม่พยายามตั้งสติให้แข็งขึ้นให้นับหนึ่งสองสามหายใจเข้า 1, หนึ่งหายใจออกสองอันนี้เราจะรู้ได้ว่าหายใจเข้าเนี่เป็นเลขขีหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองสามสี่ห้าหแต่ถ้ามันจะเผลอนะมันจะเบอเบอร์พอเบอร์เสร็จแล้วหายใจเข้ามันจะเป็นเลขขู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขีนะสลับกัน แสดงว่าสติเราขาดแต่ช่วงนั้นเราต้องตั้งต้นใหม่อกีกนี่แหละอันนี้วิธีการที่พวกเราจะรู้ได้ว่าสติของเราดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดะีนับถึงร้อยไม่ขาดถูกวบวกพ่องนี่แหละอันนั้นแปลว่าสติของเราเริ่มดีไปเรื่อยๆนะถ้านับทีไรไม่เพลสอเป็นร้อยเป็นพันหลายสิบๆครั้งก็ไม่เผลอแสดงว่าสติของเราเข้มแข็งดีนะ เพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัตตาญาตโยทุกๆ ท, ท่านนะเบื้องต้นหลวงพ่อได้กล่าวเกี่ยวกับพุทธประวัติให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะเป็นบรมครูของพวกเราพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรปุเพเนวาสานุญญตจปปปติยานจูจูปปาตยานอาสาวะคัยาณพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระองค์มาจากไหนมาเกิดปุเพเนวาสานุจติยานและพุทองค์ก็รู้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิด มาจากไหนใช่กรรมกรรมพามาเกิดกรรมดีกรรมชั่วพามาเกิดนี่แหละจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วพามาเกิดเราจะทํากรรมดีอย่างไรในพรรษานี้เราจะทํากรรมดีอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อก็แนะนําว่ากรรมดีที่พวกเราจะต้องศึกษานะจะต้องทํานั้นมีมากรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถไปกราบคารวะพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์ในพรรษาอย่างนี้เป็นต้นมีมากายที่หลวงพ่อได้บรร ย, ยาย งดดื่มสุรางดสูบบุรี่้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีทั้งนั้นจากนั้นหลวงพ่อได้แนะนําเรื่องกิตภาวนาแต่ภาวนาในวิธีการภาวนานี่ทำอย่างไรภาวน า, า, วน า, า, วนาพุทธโธกําหนดลมหายใจอย่างไรนั่งอย่างไรแหลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นการพูดและการกล่าวสมโภชธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมทุกทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปาถนาสิงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปาถนาทุกประการเทิน